ผู้ต้องเดือดร้อนในโลกทั้งสองผู้ทําบาปไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองคือย่อมเดือดร้อนในโลกนี้และโลกนี้ไปแล้วก็เดือดร้อนในโลกหน้าเขาเดือดร้อนว่าเราได้ทําบาปไว้และเมื่อไปทุ ก, กติก็เดือดร้อนยิ่งขึ้นอธิบายความใจความส่วนใหญ่ก็คล้ายกับที่ผ่านๆมาเพราะกล่าวถึงผู้ทําบาปแล้วเดือดร้อนหรือเศร้าโศกในทางตรงกันข้าม คนไม่ได้ทําบาปไว้ย่อมไม่เดือดร้อนสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในทุกกาอิบาดอังคุตระนิกายว่าเรื่องอันเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนสองอย่างคือเรื่องที่ได้ทําทุจริตไว้หนึ่งเรื่องที่ไม่ได้ทําสุจริตหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าความลับสําหรับคนทําชั่วนั้นไม่มีแม้คนอื่นไม่เห็นตนเองย่อมเห็นตนเองย่อมเป็นพยานให้ตนเองได้ว่าจริงหรือเท็จได้ทําหรือไม่ได้ทํา แต่นั้นความเดือดร้อนใจก็ตามเผาผลาญผู้ทำส่วนความเดือดร้อนเพราะไม่ได้ทำสุดจริตไปนั้นเป็นความเดือดร้อนเพราะว่าเวร i g h ที่พึงทางใจในชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึงทางใจของตนได้ดีเท่าการระลึกถึงความดีที่ตนกระทำ ม, มันให้รู้สึกเอิบอาบในดวงจิตอย่างบอกไม่ถูกซับภายในคือบุญนี้ให้ความสุขใจทุกครั้งที่ระลึกถึงส่วนความชั่วที่บุคคลทาไว ย่อมมีผลตรงกันข้ามคือให้ความทุกข์ความเดือดร้อนทุกครั้งที่ระลึก ถ, ถึงยิ่งต้องตกนรกหมกไหม้หลังจากตายไปแล้วอีกยิ่งเดือดร้อนใหญ่อย่างเรื่องพระเทวทัพเป็นตัวอย่างจึงควรกลัวนรกกันไว้บ้างอย่าเห็นแต่ความสุขปัจจุบันมากเกินไปเรื่องพระเทวทัพพระเทวทัพเป็นพระราชกุมารแห่งโกรยวงศ์ตามตำราว่าเป็นพระเชษฐาดาของพระนางยโสธรามารดาพระราหุล พระเทวทัตเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุภะพุทธแห่งโกริยวงศ์แต่คงมาอยู่ทางกบิลพั์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์เพราะเรื่องที่เกี่ยวกับพระเทวทัตสูวนมากตั้งแต่สมัยเป็นราชกุมารนะมักปรากฏที่กบิลพั์ทั้งสิ้นเมื่อพระสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จมากบิลพั์โปรดพระญาติมีพระราชกุมารไม่น้อยที่ออกผนวดตามเสด็จพระบรมศาสดาแต่มีพระราชกุมารหกพระองค์ไม่ได้ผนวด คือพระพัทยกุมารอนุรุท ธ, ธอานันทะพระคุกิมพิระและเทวทัตพระญาติทั้งหลายต่างพูดกันว่าพวกเราให้ลูกลกของตนบวชกันเป็นส่วนมากแล้วสากยะทั้งหกนี้ชะรอยจะไม่ใช่พระญาติของพระพุทธเจ้ากระมังจึงไม่ได้บวชตามเสด็จเสียงนี้ทําให้ท้ามหานามเชษฐาดาของพระอนุรุทธะไม่สบายพระทยัยจึงทรงปรึกษากับพระอนุรุทธะว่าในพวกเราสองคนนี้ บวชคนหนึ่งอนุรุธาจะอยู่ครองเรือนหรือจะบวชหลังจากได้ปรึกษากันเป็นอันมากแล้วอนุรุธาเลือกเอาทางบวชเพราะเบื่อการงานของคารวะอันวนเวียนซ้ำซากไม่มีที่สิ้นสุดจึงทูลพระมาดาขออนุญาตบวชพระมาดาทรงห้ามถึงสามครั้งก็ยังทรงยืนยันการบวชอยู่พระมาดาจึงว่าหากพัทยราชสหายของลูกบวชได้ก็จงบวชเถิดอนุรุธาจึงไปหาพัทยะอ่อนวอนอยู่ถึงเจวัน พัทยาจึงยอมรับคำว่าจะบวชในการออกบวชครั้งนี้มีพระราชกุมารหกพระองค์ด้วยกันคือพัทยะอนุรุทธะอนันทะพระคุกิิมพิละและเทวทัตรวมอุบาลีภูสามาราเข้าอีกหนึ่งเป็นเจ็ดก่อนออกบวชได้สวยมหาสมบัติเจ็ดวันเต็มเ็มคือสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเต็มที่ตามประนึ่งว่าเทวดาสวยที่สมบัติและเสร็จพร้อมด้วยจตุรงคชินีเสนา ดุดเสด็จไปพระราชอุทยานเมื่อถึงพรมแดนได้ทรงจะตรงชินีเสนากลับราชกุมารทั้งหกพระองค์ได้เปลื้องพัดตราผนของตนของตนหอแล้วสั่งให้อุบาลีนายภูสามาลาและช่างคาะบกพรางกล่าวว่าอุบาลีรับของอันมีค่านี้ไปเถิดมันพอเลี้ยงชีพของท่านไปตลอดชีวิตจงถือเอาสมบัติเหล่านี้แล้วกลับไป อุบาลีกลิ้งเป ร, รือกอยู่แทบเท้าของพระราชกุมารเหล่านั้นรำพันต่างๆแต่ไม่อาจขัดขืนคำสั่งได้จึงลุกขึ้นถือห่อของแล้วกลับไปเมื่อพระราชกุมารทั้งหกและอุบาลีแยกกันนั้นราวป่าเป็นประหนึ่งว่าจะร้องไห้แผ่นดินมีอาการเสมือนจะหวั่นไหวเมื่อเดินทางกลับไปได้หน่อยหนึ่งอุบาลีฉุกคิดว่าพวกศากยะทั้งหลายดุร้ายนักอาจเข้าใจผิดคิดว่าเราปลงพระชนพระราชกุมาร ยึดเอาสมบัติเหล่านี้กลับคืนมานี่คืออันตรายประการหนึ่งของเราอันหนึ่งเล่าสัพยะทั้งหกนี้ทรงสละสมบัติอันล้ำค่าออกบวชก็เราเล่ า, ลาหากเรารับพัตราพร อ, อันเขาทิ้งแล้วเหล่านี้จะไม่เหมือนตื่นก้อนเขละอันผู้อื่นทมทิ้งแล้วหรือคิดดังนี้แล้วจึงแก่ห่อออกเอาพัตราพรแขวนไว้บนกิ่งไม้พรางกล่าวว่าผู้ต้องการจงเอาไปเถิดดังนี้แล้ว กลับไปหาราชกุมารทั้งหกเล่าความคิดทั้งปวงของตนให้ราชกุมารเหล่านั้นทรงทราบพระราชกุมารก็รับไปโดยดีขณะนั้นพระศาสดาประทับอยู่ณนะอนุปยะอัมพวันแห่งอนุปยนิคมของพวกมลรคกษัตริย์สักยักุมารทั้งหพระองค์และอุบาลีเข้าเฝ้าณที่นั้นถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระจอมมุนีข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นพวกสักยะ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 จึงให้สากยกุมาทั้งหกได้ทรงผนวดบรรดาท่านทั้งหนั้นพัทธิยะได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ประกอบด้วยวิชาสามภายในพรรษานั่นเองวิชาสามนั้นคือหนึ่งปุปเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้สองจุตูปปาตญาณคือทิพจักสุสอาสวัขยญาณคือความรู้ที่สามารถทำกิเลสให้หมดสิ้นไปท่านพระอนุรัตห ได้จากสุทิตตต่อมาภายหลังได้สดับมหาปริสาวิตักกสูตรได้บรรลุพระอรหันตผลส่วนพระอานุน์ได้บรรลุโสดาปฏิผลพระภคุกและกิมพิระภายหลังได้เจริญวิปัสนาบรรลุพระอรหันตผลส่วนพระเทวทัตได้ลิตปุตุชนหมายความว่ า, วาได้ลิตหลายอย่างแต่ยังเป็นปุตุชนอยู่ต่อมาพระาศาสดาเสด็จสู่โกสัมผีนคร ประชาชนให้ความเร่อมใสในพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งเพราะความเร่อมใยนั้นลาบสการาจึงเกิดขึ้นแก่พระสถาคตเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมากมนุษย์ทั้งหลายถือเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปสู่อารามถามกันอยู่ว่าพระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนพระสารีบุตรพระมหาโมคคลานะพระมหากรสพระพัทธยะพระอนุรุทธะพระอานนท์พระภคุพระกิมพิระอยู่ที่ไหนดังนี้แล้ว เที่ยวเดินตรวจดูที่อยู่ของท่านเหล่านั้นและของพระอสีติมหาสาวกอื่นๆแต่จะมีใครถามถึงพระเทวทัตสักคนหนึ่งมิได้มีพระเทวทัตเสียใจว่าเราบวชพร้อมด้วยสัจกยจกุมารทั้งหลายมีพระพัทยะเป็นต้นท่านเหล่านั้นเป็นขัตยะบัญชิตเราก็เป็นขัตยะบัญชิตเหมือนกันคนทั้งหลายเที่ยวถามหาท่านเหล่านั้นอยู่แต่จะมีใครถามถึงเราสักคนหนึ่งมิได้มีเราจะคบกับใครทําให้ใครหน่อเลื่อมใส แล้วให้ลาบสการะเกิดขึ้นแก่เราเหมือนที่เกิดขึ้นแก่พระเน่าอื่นเพราะเทวทัตคิดถึงพระเจ้าพิมพิสารแต่ก็ไม่สามารถเอามาเป็นพวกได้เพราะได้บรรลุโสดาปติผลสีแล้วตั้งแต่พระศ า, ศาสดาสเสด็จกรุงราชครึกครั้งแรกพระเจ้าประเสริฐที่โกรศลก็เหมือนกันไม่อาจให้ถอนความเลื่อมใสในพระตถาคตรได้แต่พระราชกุมารอาชาตศัตรูพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารนั้นยังหนุ่มยังไม่ค่อยจะรู้คุณและโทษ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 ที่โกสัมพีก็เหมือนกันน่าสงสัยว่าทําไมจึงไม่มีคนถามหาพระเทวทัตบ้างพระเทวทัตเป็นพระไม่ดีหรืออย่างไรตํานายก็บอกว่าท่านทําสมณกิจจนได้ฤทธิ์หลายอย่างเพียงแต่ว่าท่านยังเป็นพุทธชนอยู่เท่านั้นหรือพระเทวทัตจะเป็นผู้ไม่มีบุญในเรื่องลาบสการะแต่เมื่อพิจารณาเรื่องโดยตลอดก็จะเห็นว่าพระเทวทัตคงมีนิสัยเกเรยอยู่ไม่น้อยจึงได้กระทํากรรมอันหนักต่างๆ กับพระาศาสดาได้หลายเรื่องและคงมีนิสัยมักใหญ่ไฟสูงอยู่มากด้วยเรื่องต่อไปนี้จะบอกท่านให้ดีนหนึ่งพิจารณาในแง่ของเวรกรรมพระเทวทัตก็ได้ผูกเวรในพระพุทธเจ้ามานมนานนักหนาตั้งแต่สมัยเป็นพ่อค้าลูกปัดในนิทานชาดกทั้งปวงพระพุทธเจ้าเป็นพระเอกพระเทวทัตเป็นผู้ร้ายทุกเรื่องไปแม้ในชาติสุดท้ายนี้ก็อีกเมื่อเทวทัตตกลงใจแน่นอนว่าจะากเครียดกล่อมอาชาติศัตรูราชกุมารเป็นพวก ดังนี้แล้วก็เดินทางออกจากกรุงโคสัมพีมุ่งสู่ราชเครือเนรมิตรเพศเป็นกุมาร น, น้อยพันอสรพิษสี่ตัวคือที่มือสองและที่เท้าสองอีกตัวหนึ่งพันคออีกตัวหนึ่งทําเป็นเสรตดไว้บนศีรษะอีกตัวหนึ่งทาเฉียงบ่าลงจากอากาศด้วยสังวานงูนี้นั่งบนพระเพลาของอา ช, ชาติศัตรูราชกุมารเมื่อพระกุมารทรงกลัวตรัสถามว่าท่านเป็นใคร จึงทูลตอบว่าอัตมาภาพคือพระเทวทัพเพื่อบรรเทาความกลัวของพระราชกุมารพระเทวทัพจึงกลับอัตภาพเป็นดังเดิมคือเป็นภิกษุมีสังขารติบาระจีวรยืนอยู่เบื้องหน้าพระกุมนันปะเล้าประโคมด้วยวาจาต่างๆจนพระกุมานเลื่อมใสรับเป็นผู้อุปถัมบํารุงด้วยปจัจจัยสีพระเทวทัพ ย, ยังราบสการะให้เกิดขึ้นด้วยประการชนีพระเทวทัพ ผูดมด้วยลาบสการะและปัจใจสีอันอาชาติศัตรูราชกุมารทรงบำรุงแล้วถูกความเมาในราบสการะครอบงำแล้วแต่หาพอใจเพียงเท่านั้นไม่ยังต้องการอำ น, นาจในการปกครองคณะสงฆ์อีกคิดว่าเราจะปกครองคณะสงฆ์ทั้งหมดพร้อมกับความคิดนี้ลิ์ต่างๆของพระเทวทัตก็เสื่อมไปทันทีพระศาสดาเสด็จจากโกสัมพีมาราชคฤึก ประทับอยู่ณเวรุวันพระเทวทัตเข้าเฝ้าขณะที่พระศาสดากำลังทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัทสี่แม้พระราชาภิมพิสารก็ประทับอยู่ที่นั่นด้วยพระเทวทัตทูลพระศาสดาว่าเวลานี้พระผู้มีพระภาคทรงชรามากแล้วขอจงทรงขวนกวายน้อยอยู่เป็นสุขไปวันหนึ่งวันหนึ่งหม่อมฉันจักบริหารคณะสงฆ์เองขอได้โปรดมอบภาระบริหารคณะสงฆ์ให้แก่ห ม, ม่อมฉันเถิด เราต้องไม่ลืมว่าเวลานั้นพระเทวทัตยังเป็นพระโุธุชนอยู่จะปกครองพระอาหารหันต์อย่างไรแต่ความมักใหญ่ฝ่ายสูงของพระเทวทัตทำให้มองเห็นผิดเป็นชอบไปพระศาสดาตรัสตอบว่าอย่าเลยเทวทัตเธออย่าปกครองคณะสงฆ์เลยขอให้เธอทําหน้าที่ของตนให้บริบูรณ์ก่อนเถอดการปกครองคณะสงฆ์เป็นหน้าที่ของเราหรือสารีบุตรโมกขลานะเธ อ, อยังหาควรปกครองคณะสงฆ์ไม่ เมื่อพระเทวทัตอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าพระศาสดาจึงตรัสให้พระเทวทัตระลึกถึงความไม่ดีงามในใจของตนด้วยเขาลาสิกวาดว่าดูก่อนเทวทัตเธอนั้นพอใจติดอยู่ในลาบสักการะและชื่อเสียงถูกลาบสักการะครอบงำทําให้จิตมืดบอดเทวทัตเอ่ยอันลาบสักการะเป็นต้นนั้นเป็นดุจเคละคือน้ํำลายที่พระอริยเจ้าทั้งหลายถ่มทิ้งแล้ว เธอไปติดใจพอใจสยบอยู่ในก้อนเขละคือลาบและประจัยสีเห็นป่านนั้นควรอยู่หรือพระดํำรัสเช่นนี้แลอันท่านเรียกว่าเขลาสิกวัฒะพระเทวทัตฟังแล้วไม่พอใจมากผูกอาฆาตในพระศาสดาเป็นครั้งแรกเล่าหลีกไปในระหว่างนั้นพระเทวทัตก็ทําอะไรหลายอย่างอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแ ก, ก่คณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าพระศาสนาทรงเห็นว่าปล่อยไว้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 จะปรงพระชนพระสมณะโคดมแล้วเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองเหมือนกันพระองค์จักได้เป็นใหญ่ในฝ่ายอาณาจักรอัตมาภาพจักเป็นใหญ่ในศาสนจักรความพยายามในเรื่องให้อาชาติศัตรูกุมารปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารของพระเทวทัพประสบผลสําเร็จอาชาติศัตรูกุมารได้ขึ้นครองราชการอุปถัมบํารลงพระเทวทัพและบริวารเป็นไปอย่างสมเสมอพระเทวทัพขอคนแม่นธนูจากพระเจ้าอาชาตศัตรูจํานวนหนึ่ง เพื่อปรองพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คนเหล่านั้นกลับไปเลื่อมใสพระศาสดาขอบวชและบรรลุโสดาปันติผลกันหมดพระเทวทัตจึงลงมือดําเนินการเองโดยขึ้นไปอยู่บนยอดเขาคิชกูตแล้วกลิ้งศิลาลงมาในขณะพระศาสดาเสด็จขึ้นในทางแคบๆสเก็ตหินกระเด็นมากระทบะบาดของพระศาสดาทําให้พระโลหิตห่อคือห่อเลือดได้หมอชีวกช่วยรักษาจนหายสนิทในวันรุ่งขึ้น พระเทวทัตยิ่งแค้นใจหนะักจึงให้พระเจ้าอาชาติสตรูปล่อยช้างนาราคิรีซึ่งเป็นช้างดุร้ายมุ่งทำลายพระศ า, ศาสดาขณะออกบินธบาตในเช้าวันหนึ่งแต่พระศาสดาก็ทรงปราบช้างได้ด้วยน้ำคือพระเมตตาช้างไม่ทำอันตรายแก่พระองค์แต่กลับหมอบลงแทบพระบาทแสดงความเคาเรพเลื่อมใสคราวนี้ประชาชนก็รู้กันหมดว่าเรื่องต่างๆเช่นการให้คนแม่นธนูไปส่มยิงพระพุทธเจ้าก่าตาม การกลิ่งศิลาจากภูเขาคิจกูดก็ตามการปล่อยช้างนาราคิรีก็ตามเป็นการกระทําของพระเทวทัตทั้งสิน้นแม้การปรงพรชนพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นการยุยงของพระเทวทัตเหมือนกันทําไมเนอพระราชาจึงทรงครบคนชั่วถึงป่านนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงสับเรื่องราวนั้นก็ทรงหวั่นพระไทยเกรงราชบาลังจะไม่มั่นคงหาคบพระเทวทัตต่อไปจึงเลิกคบพระเทวทัตไม่เสด็จไปสู่ที่บํารุง คือไม่ยอมไปมาหาสู่ทยธรรมปัจจัยลาบที่เคยถวายห้าร้อยสำรับก็รับสั่งให้งดเสียชาวเมืองก็ไม่ยอมถวายอาะไรแก่พระเทวทัตเพระเทวทัตเสื่อมจากลาบสาการะเสื่อมจากความนิยมนับถือของมหาชนประส ง, งค์จะลิ้ยงชีพโดยการหลอกลวงจึงเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลขอวัตถุห้าประการอันเป็นเงื่อนไขในการประพฤติของพิกสุคือหนึ่งขอให้ภิกสุงดฉันเนื้อและปลาตลอดชีวิตให้ฉันได้แต่อาหารผัก สอขอให้ภิกษุอยู่ป่าตลอดชีวิตสขอให้ภิกษุถือผ้าบังสกุลตลอดชีวิตไม่ควรรับผ้าที่มีผู้ถวายสขอให้ภิกษุฉันอาหารเฉพาะบินทบาตมาได้ตลอดชีวิตไม่ควรฉันอาหารที่มีผู้นำมาถวายหาขอให้ภิกษุอยู่คนไม้เป็นปกติไม่ควรเข้าสู่ที่มุงบงังพระศาสดาไม่ทรงอ่ำหนูตามกลับตรัสว่าอย่าเลยเทวทัตผู้ใดปรารถนาจะทำข้อจงทำเฉพาะตนเถิด เราไม่ห้ามแต่จะบัญญัติให้ทําอย่างนั้นทั่วไปหมดนั้นตถาคตไม่บัญญตัติพระเทวทัพได้โอกาสจึงประกาศขึ้นว่าผู้ใดใคร่พ้นทุกข์ขอพวนั้นจงมากับเราดังนี้แล้วหลีกไปพิกษุบางพวกบวชใหม่ยังมีความรู้น้อยเข้าใจว่าพระเทวทัพพูดถูกจึงยอมไปเป็นบริวารของพระเทวทัพความจริงพระเทวทัตคงไม่ได้ทูลขอเรื่องทั้งห้านั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่คงขอ ด้วยตทองกางจะอดเคร่งเพื่อให้ได้ลาบและได้ความน้ถือเท่านั้นเมื่อได้ภิกษุใหม่ประมาณห้าร้อยรูปเป็นบริวารแล้วก็เที่ยวขอปัจจัยจากชาวบ้านมาบริโภคและคิดทำลายสงผู้สามกีให้แตกกันพระศาสดาทรงเป็นห่วงตรัสถามว่าเทวทัตได้ยินว่าเธอพยายามเพื่อทำลายสงหรือจริงพระเจ้าข้าพระเทวทัตถูลรับเทวทัตเธออย่าพอใจในการทาลายสงเลยเพราะการทาลายสงเป็นโทษหนะัก แม้พระศาสดาทรงเตือนอยู่อย่างนี้ก็หาเชื่อไม่เช้าวันหนึ่งพบพระอนุลซึ่งบินฑบาตอยู่ในกรุงราชเกลืได้กล่าวกับพระอานุ์ว่าอานุลผู้มีอายุตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะทําอุโบสถสังฆกรรมต่างหากไม่รวมกับพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ของพระศาสดาพระอานุ์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพระองค์เกิดธรรมสังเวทและทรงปริวิตกว่า เทวทัตทำกรรมอันเป็นเหตุให้หมกไหมในนรกเสียแล้วกรรมอย่างนี้เป็นไปเพื่อกามย่อยยับแก่สัตว์โลกรวมทั้งเทวโลกเป็นต้นดังนี้แล้วตจดจาว่ากรรมที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ทาได้ง่ายส่วนกรรมที่ดีและมีประโยชน์ทำได้ยากยิ ง, ยงทรงเปล่งอุทานอีกว่ากรรมดีคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทาได้ยากกรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่พระอริยะเจ้าไม่ทาเลย พระเทวทัตได้ภิกษุใม่ชาววัชีห้าร้อยรูปเป็นบริวารเพราะเลื่อมใสหลงเชื่อในเรื่องวัตถุหประการแล้วพาไปสู่ตำบลขยาศรีศักในเขตแคว้นมคธนั่นเองพระสาวซาลาทรงเป็นห่วงภิกษุใหม่เกรงจะต้องวอดวายเสียจากคุณธรรมอันพึงมรลุจึงรับสั่งให้พระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะไปนำภิกษุเหล่านั้นกลับมาพระสารีบุตรและพระโมคคลานะไปสั่งสอนอบรมชี้แนะจนภิกษุเหล่านั้นเข้าใจแจ่มแจ้ง ได้ดื่มรถแห่งอมตะธรรมแล้วพาภิกษุเหล่านั้นกลับมาเฝ้าพระศาสดาขณะนั้นพระเทวทัตน์นอนพักผ่อนอยู่เพราะนึกว่าพระอัครสาวกทั้งสองเลื่อมใสายในตนจึงตามมาพระเทวทัตน์จึงให้แสดงธรรมแทนตนเมื่อพระอัครสาวกพาภิกษุห้าร้อรูปไปหมดแล้วพระโกกาลิกาซึ่งเป็นสาวกสนิทของพระเทวทัตเข้าไปปลุกพระเทวทัต์ทางกล่าวว่าเทวทัตลุกขึ้นเถิด พระษารีบุตรโมกขลานะนําภิกษุไปหมดแล้วข้าพเจ้าเคยบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าไว้ใจพระสารีบุตรโมกขลานะเพราะทั้งสองนั้นมีความปรารถนาชั่วตกอยู่ในอํานาจของความปรารถนาชั่วดังนี้แล้วด้วยความเจ็บใจจึงเอาเข่ากระแทกกกพระเทวทัตจนกระอักเลือดฝ่ายภิกษุทั้งหลายได้เห็นพระอัครส า, าวกกลับมาพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยงามยิ่งนักจึงกราบทูลพระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์พระสารีบุตรเมื่อไป ไปเพียงสองเท่านั้นบัดนี้กลับมาพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากงามและเติร์นพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่บุตรของเรามาสู่สำนักของเราด้วยลีลาอันงามแม้ในการก่อนเมื่อเธอเกิดกำเนิดสัพท์ยุราฉานก็เคยเป็นอย่างนี้แล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสข้อความในลักขณาชาดกว่าความเจริญย่อมมีแก่ผู้มีศีลผู้รู้จักปฏิสันฐาน จงดูเถิดเนื้อชื่อลักษณะงามอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติส่วนเนื้อชื่อกลาละเสื่อมแล้วจากหมู่ญาติทั้งปวงภิกษุทั้งหลายทูลเรื่องอื่นอีกว่าได้ทราบว่าพระเทวทัพให้พระสองลูปนั่งข้างทั้งสองเป็นทนนาอัคารสาวกแล้วกล่าวว่าเราจะแสดงธรรมด้วยพุทธลีลาทำกิริยาตามอย่างพระตถาคตเจา้าพระศาสดาตรัสว่ามิใช่เพียงแก่ในบัด น, นี้เท่านั้น แม้ในการก่อนเทวทัตทำอย่างนี้แล้วเหมือนกันแต่ไม่สามารถทําได้ดังนี้แล้วจลัดนาทีเจรากากะชาดกหรือวีรกะชาดกว่าวีรกะท่านเห็นนกชื่อสวิถกะไหมนกนั่นเสียงเพราะมีสร้อยค อ, อเหมือนนกยูงขาเป็นผัวของฉันวีรกะตอบว่านกสวิถกะถูกสลายพันคอตายซะแล้วเพราะตัวไม่ได้เป็นนกทะเล ทำเยี่ยงอย่างนกทะเลที่ไปได้ทั้งในน้นําและบนบกกินปลาสดได้กปะ น, นิดพระาศาสดาทรงปรารบพระเทวทัตตรัสชาดกอีกเป็นอันมากเช่นกันทะฆละกะชาดกวิโรชนะชาดกชวะสกุณชาดกกุรังขมิขะชาดกและอุปโตพระตะถะชาดกเป็นต้นหลังจากนั้นพระาศาสดาสเสด็จออกจากกรุงราชเครือสู่นครสาวัตถี ราชธานีแห่งแก้นกสประทับนัเชตวันมหาวิหารเพราะเหตุที่ถูกกระแทกหน้าอกจนกระเลือดและความเสียใจยที่พระอัครส า, าวกทั้งสองมาพาที่สุบริวารไปเสียพระเทวทัตจึงป่วยหนักอยู่นานถึงเก้าเดือนในระหว่างที่ป่วยนั้นคงจะได้มีโอกาสคิดทบทวนถึงกรรมของตนบ้างจึงรู้สึกตัวว่าได้ทาผิดไวในพระศาสดามากจึงอยากจะเข้าเฝ้าหอร้องให้สิทธิไปเฝ้า สาวกทั้งหลายกล่าวว่าเมื่อยังสามารถไปมาได้อยู่ได้พระพฤติตนเป็นคนมีเวรกับพระศาสดาข้าพเจ้าไม่สามารถพาท่านไปได้พระเทวทัตอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าจริงอยู่ข้าพเจ้าผูกเวรในพระศาสดาแต่พระองค์หามีเวรต่อข้าพเจ้าใหม่พระองค์ไม่ได้ผูกอาฆาตข้าพเจ้าเลยแม้เท่าปลายผมจงกรุณาพาข้าพเจ้าไปสร้าพระศาสดาเถิดจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีพระหฤทัยสม่ำเสมอในบุคคลทั้งกวง เช่นในคนแม่นธนพระเทวทัตโจรองคุลิมานช้างนาคิลีและแม้ในพระอาขุนคือไม่ได้ทรงมีอคติเลือกทีรักผักที่ชังประการใดเลยเมื่อพระเทวทัตอ้อนวอนมากเข่าสิทธ์ก็พร้อมใจกันหามพระเทวทัตออกจากขยาศีษะไปเฝ้าพระศาสดาณเมืองสาวัตถีภิกษุทั้งหลายทราบข่าวนั้นจึงกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระศาสดาตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลาย ในชาตินี้เทวทัตจะไม่ได้เห็นเราอีกเลยท่านกล่าวว่าภิกษุที่ขอวัตถุหับห้ประกาศแล้วจะไม่ได้เห็นพระศาสดาอีกเลยข้อนี้เป็นธรรมดาเมื่อพระเทวทัตมาถึงที่ต่างๆในระหว่างทางภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพระศาสดา ว, ว่าปัดนี้พระเทวทัตมาถึงนั้นแล้วมาถึงที่นั้นแล้วพระเจ้าข่าพระศาสดาตรัสว่าเทวทัตจะมาถึงไหนจะทาอย่างไรก็าตาม เรื่องที่เทวทัตจะได้เห็นเรานั้นเป็นไม่มีเมื่อพระเทวทัตเดินทางใกล้เข้ามาพิสุทธทั้งหลายก็กล่าบทูลพระศาสดาอีกว่าบัดนี้พระเทวทัตอยู่ห่างจากที่นี่เพียงโยอดเดียวบัดนี้กึ่งโยอดบัดนี้พระเทวทัตมาถึงสะโบกครัีหน้าวัดเชตวันแล้วพระศาสดายังคงยืนยันว่าแม้เทวทัตจะเข้ามาภายในวัดเชตวันแล้วก็จะไม่ได้เห็นเราพระสาวกพาพระเทวทัตมาวางเตียง ลงริมสะโบกครณีใกล้วัดเชเทวันแล้วพากันลงไปอาบน้ําในสัตพระเทวทัตลูกจากอาการนอนนั่งห้อยเท้าทั้งสองลงบนแผ่นดินเท้าทั้งสองของเขาค่อยๆจมลงไปในดินถึงข้อเท้าถึงเขา่าถึงเอวถึงนมและถึงคอเวลากระดูกคางจดถึงพื้นดินเทวทัตได้ลกล่าวว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงเป็นผู้เลิศเป็นเทพยิ่งกว่าเทพทั้งหลาย เป็นผู้ชำนาญในการฝึกคนทรงมีพระจักสุรอบด้านทรงมีพระักษณะอันสาเร็จมาจากบุญข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งขอถวายกระดูกคางและลมหายใจครั้งสุดท้ายนี้เป็นเครื่องสักการะแด่พระองค์ทราบกันว่าพระศาสนาทรงหินฐานานี้คือการที่พระเทวทัตจักถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึงในวาระสุดท้ายจึงทรงยอมให้พระเทวทัตบวช ถ้าเขาไม่ได้บวชเลยอยู่เป็นเครือขัดจะทํากรรมหนักยิ่งกว่านี้จยากไม่ได้ทําปัจจัยอันดีเพื่อพบต่อไปเมื่อได้บวชแม้จะทํากรรมหนักก็จริงก็ยังสามารถทําปัจจัยอันดีไว้เพื่อพบต่อไปในว่าในอีกแสนกับข้างหน้าพระเทวทัตจะได้เป็นพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้านามว่าอทิสักศักพระเทวทัตจมดินแล้วไปเกิดในอเวจีถูกไฟในอเวจีไม่อยู่เคลื่อนไหวไม่ได้ เพราะประพฤติผิดในพระพิดาเจ้าผู้ไม่หวั่นไหวทุกทรมานอยู่ในเอเวจีนั้นนา น, น, านแสนนานพิสุทธทั้งหลายสนทนากันว่าพระเทวทัพมาถึงนี้แล้วไม่ทันได้เฝ้าพระศาสนาจมดินเสียแล้วพระศาสดาตรัสว่าพิสุทธ์ทั้งหลายเทวทัพประพฤติผิดในเราต้องถูกแผ่นดินสูบในการนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนก็เคยแล้เหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดงสีลวะวณวนาฆาชาดก สมัยที่พระองค์เป็นช้างพบพานหลงทางในป่าลึกยกขึ้นหลังของตนไปส่งถึงที่อันปลอดภัยแต่พานนั้นกลับมาตัดงาเสียถึงสามครั้งและถูกแผ่นดินสูกพระศาสดา ส, าส่งย้ำว่าหากเราจะให้แผ่นดินทั้งหมดแก่คนอากตันอยู่ก็ให้เขาพอใจไม่ได้ทรงแสดงฉดกเป็นอื่นอีกเช่นขันติวาทีชาดกสมัยพระองค์เป็นขันติวาทีดาบทพระเทวทัตเป็นพระเจ้ากลาภุ จุลธรรมปารชาดกสมัยพระองค์ทรงเป็นจุลธรรมปาระพระเทวทัตเป็นพระเจ้ามหาปตาปะรัวแต่เคยประพฤติผิดในพระองค์และเคยถูกแผ่นินสุกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อพระเทวทัตถูกแผ่นินสุกแล้วประชาชนต่างชื่นชมยินดียกธงและเล่นมโหรศพพลางกล่าวกันว่าเป็นลาบของพวกเราแล้วหนอที่พระเทวทัตตายไปพิสูจทั้งหลายกล่าวทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระศาสดาตรัสว่า ไม่ใช่เพียงแต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเมื่อเทวทัศตายคนทั้งหลายก็ร่าเริงเลนเหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดงปิงคละชาดกว่าโดยเรื่องพระเจ้าปิงคละผู้ครองนครพระณศีเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ดุร้ายอยากช้าเมื่อสวรรค์คนทั้งหลายก็พากันร่าเริงเล่นมหละศกแต่นายประตูคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่เมื่อพระโพธิสัตว์ถามว่าเขารักพระเจ้าปิงคละนักหรือเขาตอบว่าพระราชาปิงคละผู้มีพระเนตรไม่ดำ เป็นที่รักของข้าพเจ้าใหม่แต่ข้าพเจ้าร้องไห้เพราะเกรงว่าพระองค์จะกลับมาอีกด้วยว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะพึงไปเบียดเบียนพระยามะจุราชมัจุราชสําคานเข้าอาจนําพระองค์กลับคืนมาข้าพเจ้าร้องไห้เพราะเหตุนี้เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าเวลานี้พระเทวทัพไปที่ใดพระศาสดาตอบว่าไปเกิดในเวจีมหานกนรกแล้วตรัสต่อไปว่าผู้ทําบาป ย่อมเดือร้อนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นต้นดังได้พนนาไว้ได้แต่เบื้องตน